14. ความสุขไม่ใช่กิเลสแต่ความยินดีพอใจในความสุขเป็นราคะวงเล็บเปิด 12. มกราคม2551ในวงเล็บสองวงเล็บปิดขันห้าเป็นทุกนะแต่คนที่ไปรู้ขันห้าไม่เป็นทุกหรอกยิ่งรู้มากๆยิ่งมีความสุขเพราะฉะนั้นพอเรารู้เต็มที่ใช่ไหมเราถึงนิพพานเลยมีบร ม, มสุขสาศาสนาพุทธไม่ใช่อยู่กับความทุกนะคำว่าทุกในาศาสนาพุทธไม่ใช่แปลว่าความทุก คำว่าทุกนะท่านสรุปเอาไว้ว่าในเครื่องหมายคำพูดสังขิตเตนะปันจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปขันห้าเป็นตัวทุกข์เพราะฉะนั้นขันห้าเป็นตัวทุกขการที่เรารู้กายรู้ใจนี่แหละเรียกว่ารู้ทุกรู้ไปเรื่อยๆจนเห็นความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราแล้วไม่ยึดถือใจเรามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นยิ่งปฏิบัติยิ่งมีความสุข แต่ถ้าปฏิบัติแล้วมีความสุขขึ้นมาแล้วเพลิดเพลินพอใจติดแล้วทีนี้ให้รู้ทันว่าพอใจในความสุขความสุขเป็นเวทนาไม่ใช่กิเลสแต่ความยินดีพอใจในเวทนาในความสุขตัวนี้ราคะให้รู้ทันว่าราคะแทรกแล้วที่บอกว่าภาวนาแล้วกิเลสน้อยลงไม่น้อยนะกิเลสจะไม่มีแรงแต่กิเลสเกิดบ่อยๆไม่มีกาลังรุนแรงเห็นไหมใจเราเดี๋ยวก็แวบๆนะเพราะราคะเดี๋ยวโทสะเดี๋ยวโมหะ เราจะเห็นกิเลสเกิดอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าเกิดไม่รุนแรงเพราะสติมันเร็วมันเหมือนไฟไหม้คนมาวางเพลิงมันจุดไฟแช็คแพลบเรามองเห็นแล้วนี่ดับง่ายเพราะแค่รู้นะแต่ถ้ารอทิ้งไว้นานๆไม่มีสติไฟไหม้บ้านแล้วมันจะดับยากฉะนั้นให้เห็นกิเลสบ่อยๆไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะถ้าภาวนาแล้วไม่มีกิเลสแสดงว่าดูผิดแน่ๆเลยไปอยู่ในความว่างๆสบายเพลอๆเพลิๆนๆไป ให้รู้ว่ายินดีพอใจในความสุขนั่นแหละคือตัวกิเลส